เรื่องพระฉับ พ, พักขีส่องดูเงาหน้าสมัยนั้นพวกภิกษุฉับ พ, พักขีส่องดูเงาหน้าที่คันช่องบ้างในภาชนะใส่น้ำบ้างคนทั้งหลายตำหนิประนามโพนทนาว่าชไหนพวกภิกษุฉับ พ, พักคีส่องดูเงาหน้าที่คันช่องบ้าง